Thank <laughs> you. เราพากันมาปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมการเจริญสติถือว่าเป็นแนวหน้าแนวหน้าของการลบค่าศึกที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตจิตใจเราแต่ว่าแนวหน้าต้องรีบด่วนเะา น, น่อ ย, อย่าพาะลุงพลังหน่วยเร็วไวหมายความว่า เราเปลี่ยนพยายามที่จะสร้างความรู้สึกตัวอะไรอะไรที่ไม่ใช่ความรู้สึกตัวที่มันเกิดขึ้นผ่านไปก่อนอย่าไปดังเลสงสัยเสียไปลาำเวลาปัตถุอุปกรณ์ที่สร้างให้เกิดความรู้ก็มีอยู่พร้อมแล้วเป็นของจริงือกายของเราายนี้ก็เคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวนั้นเพื่อให้เกิดความรู้ถ้าเคลื่อนไหวใดๆเรื่องของกายไม่เกิดความรู้อย่าไปเคลื่อนไหวให้มันเกิดอย่างอื่นส่วนไหนก็ตามเป็นเรื่องของกายเช่นลมหายใจการพิจตาการคืนน้าลายการเดินการยืนการนั่งการนอนหรือเราเจตนาที่จะสร้างขึ้นมาตามรูปแบบของบัพพะในการเจริญสติปัฏฐาน ยกมือสร้างจังหวะเป็นกายปัพภะสัมปัญญะปัพภะบปัพภะคือรูปแบบที่ทำให้เกิดสติหามามาประกอบเวลานี้เราดวนดวนเลกหน่อยอย่าไปเอาเหตุเอาผลอันใดมาเป็นเครื่องขวางกัน้นเพื่อที่จะให้หลุดไปจากความรู้สึกตัวเรายังเพียรพยายาม ได้ทราบว่าพวกเรามาปฏิบัติแบบเข้มการแบบเข้มก็คือรู้สึกตัวนี่แหละความรู้สึกตัวต้องแนวหน้าจริงจริงลวนจริงๆริงมันคำนักครบบไวๆสักหน่อยไวยังไงไวคือเข้าถึงความรู้สึกตัวเข้าข้างความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเป็นการบุกเบิก ที่ใดที่จะรู้สึกตัวหามาเอามาประกอบถ้าไม่ประกอบความรู้สึกตัวก็ไม่เกิดไใช่ไปชิดเอาเหตุเอาผลวัตถุที่สร้างความรู้สึกตัวนี่ก็คือกายคือใจของเรานี่แหละมันจะล้มก็หลงตัวนี้แหละแต่สิ่งที่หลงที่ทําให้หลงมากที่สุดคือกายกับใจถ้าไม่หลงตรงนี้แล้วอันอื่นก็ไม่หลง เพราะว่าการเจริญสติมันเป็นการสมรวมอายตนะไปในตัวเสร็จไม่ต้องไปหลับตาไม่ต้องไปหลบไปหลีที่ไหนแม่แต่ได้ยินเสียงแม่แต่ตาเห็นรูปอะไรก็ตามมันจะเป็นศัก์แต่ว่าไปเลยถ้ามีความรู้สึกตัวนะตัวใหญ่มันอยู่ตรงนี้ถ้ามีสติแล้วมันก็ไปได้หมดเลยเรื่องมันจะเกิด สิ่งอื่นตามไปเองจะเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาไปเองแน่แต่การบรรลุธรรมพระเรียบุคคลเบื้องต้นเห็นพระโสดาบันก็มาเห็นกายนี่แหละตายานุปสนาสกายทิธิทิธิที่มีความเห็นผิดเห็นถูกอยู่ในกายถ้ามีสติเห็นกายอยู่ตัวเนื่องจะเป็นสกายทิธิเห็นถูก ไม่มีตนอยู่ในกายในเสียเวลาอยู่กับกายเอากายในเป็นเครื่องบรรลุทำไปเลยหรือว่าส ก, กายาทิฏฐิไม่มีตนอยู่ในกายเรื่องของกายไม่มีตนเป็นแต่เพียงว่าเห็นเห็นกายตามความเป็นจริงความสุขความทุกข์ไม่เกิดขึ้นบนกายปิเรตันหาความโลภโกรธหลงไม่เกิดขึ้นอยู่ที่กายเพราะส ก, กายาทิฐิ ไม่มีตนอยู่ในกายแล้วนี่แต่เห็นอาการที่มันเกิดขึ้นก็อเอาอันนี้แหละมาศึกษาเอาสิ่งที่มันมีเพื่อให้เกิดการบรรลุธรรมตรงไหนที่มันหลงตรงนั่นเป็นการบรรลุธรรมหลงที่กายก็เอากายบรรลุธรรมหลงที่จิตก็เอาจิตเป็นเครื่องบรรลุธรรมการบรรลุธรรมคือทําให้เกิดความรู้สักตัวบรรลุน้อยๆในไปก่อนพ้นน้อยๆไปก่อน แล้วเราก็ทําได้นะไม่ใช่ใทำไม่ได้ทุกคนทําได้ใอชีวิตของเราเพื่อการนี่โดยตรงเพอความรู้สึกตัวโดยตรงเราเปลี่ยนใช่แต่ก่อนมันเป็นความหลงก็ได้ตายเกิดความหลงใจเกิดความหลงความหลงก็เอาไปฟรีๆเราไม่รู้ด้านไปเลยล่านอยู่ในความหลง ดานอยู่กับความโศกความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายกับใจแบบนี้ให้มันเกิดความรู้สึกตัวปฏิบัติคือเปลี่ยนให้เกิดความรู้สึกตัวไม่มีเรื่องอันใดที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเอามาเปลี่ยนให้เกิดความรู้สึกตัวเรียกว่าปฏิบัติเข้มอาจจะอยู่ที่ไหนก็ได้อาจจะฟังอยู่อย่างนี้ก็ได้อาจจะเดินอาจจะหกจะฉันอาจจะอาบน้ำที่ไหนก็ได้ ให้มีความรู้สึกตวให้มันต่อเนื่องยาวนานความเข้มของการปฏิบัติคือให้มีสติต่อเนื่องอยู่กับกายยาวๆเอากายเป็นหลักเสียก่อนอย่าไปยุ่งกับความคิดจิตใจแม้มันจะมีกรเที่ยงไว้ก่อนกลับมาเอานิมิตคือกายนตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ก่อน มีหลักมันมีหลักปฏิบัติธรรมมันเกาะหลักมันจับหลักเหมือนเราไปสะพานที่มีราวจับอันไม่หลุดไม่โหลนง่ายหรอกเพราะรูปแบบของเราพอชัดเจนอยู่แล้วเอื้อไหวไปมาเน่ยมือนี่มันก็มีจริงๆริงรูปแบบมือคว่ไห้บนเข่ามือตั้งไห้บนเข่ามือยกขึ้นมือกลับไปกลับมามันมีอยู่ ก็ไ ป, ไปติดไปให้มันติดให้สติมันติดไปกับกายส่วนจิตใจนั้นมันเาจะหลงคิดไปก็ถือว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆให้รีบกลับมาแม้นมันจะมีเหตุอะไรที่ต้องคิดเวลานี่ไม่จําเป็นเวลานี่มามีสติดูกายเช่นก่อนรู้สึกตัวไปกับกายเช่นก่อนอย่าไปหาเรื่องมาคิดอย่าไปหลงคิดตัวหลงเลยไม่ ไม่ได้หาหรอกมันเกิดขึ้นเองมันเกิดขึ้นเองตัวหลงที่มันเกิดขึ้นกับจิตเนี่ยมันมีมาเองนั่นแหละเป็นเรื่องดีอย่าถือว่ามันผิดตัวหลงที่มันเกิดขึ้นมาเองที่เกิดขึ้นกับจิตนั่นแหละจะได้รู้สึกตัวมันจะเก่งตนที่มันหลงที่เกิดขึ้นกับจิตแล้วกลับมารู้อยู่ที่กายตรงที่จะทำให้เก่งจะทำให้คล่องตัวจะทำให้ประสบการณ์ จะทําให้มีบทเรียดบทเรียนมาอยู่ตรงนี้ด้วยยาปฏิเสธบางคนพอบัญชิดขึ้นมาก็ยุ่งกับความคิดไม่อยากให้บัญชิดมันก็คิดอย่าไปข่องแวะแบบด้านการปฏิบัติธรรมอาจจะเป็นการเจริญสติจริงๆอาจจะยิ้มไม่น้อยเวลามันหลงคิดไปเพราะมันเห็นของจริงของจริงที่มันเกิดความหลงคือเกิดขึ้นกับกจิตใจเรานะ่ ให้ทำอย่างนี้ไม่สิ้นเปลืองเ้อไปถือว่าผิดว่าถูกมันไม่มันจะสิ้นเปลืองพลังงานจะสิ้นเปลืองพลังงานจะไปแก้วความหลงโดยเหตุโดยผลโดยความคิดทําไมมันจึงหลงวิธีใดที่มันจะไม่หลงไม่ต้องไปหามันมีอยู่แล้วกลับมาสร้างรูปแบบยกมือเปลี่ยนมือหงายมือสร้างดังที่เราสร้างอยู่เนี่เพียงพอแล้ว การที่จะทำให้เกิดความรู้สึกตัวมันเพียงพอกับอธิบทที่เราตั้งไว้เนี่ยไม่ต้องไปไล่จับไม่ต้องไปเอาเหตุเอาผลไปประกอบตัดทิ้งไปเลยเหตุผลนั้นเอาการกระทำเอาการกระทำไม่การกระทำต่อหน้าต่อตาฟันต่อฟันตาต่อตาอย่างเนี่ยมันจึงจะเป็นของกิง่ง ถ้าไปเอาเหตุเอาผลกลมุลมเครือเครือเอาชอบเอาไม่ชอบเอาผิดเอาถูกวิธีปฏิบัติจะเห็นผิดเห็นถูกก็รู้สึกตัวเนอะรู้สึกตัวรู้สึกตัวสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาจะเป็นคนเก่าจะเป็นคนใหม่ก็คือสร้างความรู้สึกตัวแต่ว่าผู้ที่เคยสร้างมาแล้วอาจจะหลงน้อยอาจจะรู้มากผู้ที่สร้างความรู้สึกตัวแน่น้อยอาจจะ หลงมากก็จะรู้น้อยเป็นธรรมดาพอวันหลงกับพลาดไปกับความหลงได้ง่ายได้ไวผู้ที่ปฏิบัติมากมากแล้วความหลงนั่นแหละมันสนับสนุนให้เกิดความรู้ความทุกข์ความโกรธความโลภความหลงอะไรก็ตามสนับสนุนให้เกิดความรู้เคยพูดว่าความหลงความชั่วต่างๆมันเป็นปุ๋ยทำให้ความรู้สึกตัวงอกงามภายในตัว สำหรับผู้เก่านะถ้าหากมีความโกรธความโลภความหลงมันสนับสนุนให้เกิดความรู้สึกตัวเหมือนปุ๋ยที่ทำให้ความรู้สึกตัวให้ต้นไม้งอกงามทุกตอนแหละทำห้เกิดเป็นพุทธความหลงนั่นแหละทำห้เกิดเป็นพุทธถ้าไม่มีความหลงไม่มีความทุกข์พุทธเกิดตรงไหนไม่มีเลยเพราะนั้นจึงถือว่าเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ อย่าไปกลัวความหลงอย่าไปกลัวความผิดอย่าไปกลัวอะไรทั้งหมดเลยมีความรู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวพอแล้วแนวหน้าสำหรับแนวหน้าพอแล้วลายเคลื่อนไหวรู้สึกตัวได้เนแนวหน้าพอแล้วไปได้เลยไม่ต้องมีอะไรเอ้ไม่เห็นมีสมาทานไม่เห็นมีศีลไม่เห็นขอกรรมฐานไม่เห็นอะไรไม่ต้องไปจุดทูบจุดเตียนตั้งเวลาเท่านั้นเท่านี้ อย่างนั้นอย่างนี้ตีละครกําหนดเวลาให้ปฏิบัติตรงนั้นเข่งเวลานั่งต้องแปชั่วโมงตีละครผ่านั่งตีละคังพาเลิกตีละคงไปขบไปฉันตีละคงไปอาบน้าเข้มอาบน้ำก็ได้อยู่แต่ว่าการเข้มจริงๆนี่คือความรู้สึกตัวอยู่ตรงไหนก็ไม่ให้พนอื่นบริหารเราเราบริหารชีวิตของเราเอง เราจะไปไหนเราไปกับความรู้สึกตัวเราจะหยุดก็หยุดกับความรู้สึกตัวเราจะทำอะไรกับความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวไปได้ทุกพื้นที่ที่มีอยู่ในกายในใจในชีวิตเราเกี่ยวกับตาก <c oughs> ็ารู้สึกตัวได้ที่จะดูเลยหูฟังเสียงเขารู้สึกตัวได้จะคบจะฉันจะอาบน้ำเขารู้สึกตัวได้จะหลับจะตื่นก็รู้สึกตัวได้ หัดหลับหัดตื่นให้มีความรู้สึกตัวเพราะตื่นเพิ่มรู้สึกตัวอาจจะรู้สึกตัวก่อนตื่นก่อนเลินตาก่อนที่มันจะตื่นจริงๆรู้สึกตัวชัดเจนไม่สลืมสลือไม่คลุมเครือไม่หมกมุ่นไม่เศร้าหมองอะไรรู้สึกตัวชัดตื่นขึ้นมาตื่นภายในความรู้สึกตัวตื่นภายในชัดเจนแม่นยำอ่นะานปฏิบัติธรรมแล้วทําอย่างนี้เราก็ทําได้จริงๆ ไม่มีใครทำไมได้ความรู้สึกตัวไม่ใช่เพศไม่ใช่วัยไม่ใช่ลัทธิไม่ใช่เนกายไม่ใช่ชาติอะไรเป็นความรู้สึกตัวสากลที่สุดความรู้สึกตัวอยู่กับกายก็คือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวอยู่กับจิตใจก็คือความรู้สึกตัวอยู่กับตากับหูอยู่กับริบทการสร้างจังหวะอยู่กับลมหายใจอยู่กับการเดินจงกรมอยู่กับการเคลื่อนไหวอะไรอะไรก็ตามคือความรู้สึกตัว อยู่กับนักบวชก็คือความรู้สึกตัวอยู่กับฆราวาสญาติโยมก็คือความรู้สึกตัวนี่คือของจริงสากลแห่งธรรมถ้าเราไม่ความรู้สึกตัวทุกชีวิตที่นั่งอยู่ที่นี่เกือบล้อยคนเดีเป็นคนคนเดียวทุกคนในความรู้สึกตัวเอ้าสงบทันทีสงบทันทีต่างทุกชีวิตดีความรู้สึกตัวไม่ทําชั่วละความดีจิตบริสุทธิ์ไปเลยไปเลยนะ ปันนี่นะทำเนี่ยเป็นพลังเกิดขึ้นทันทีเลยทันทีเลยเป็นปัจจดตังทันทีเลยเนี่ยเอากิ่งๆลองดูเอาตรงๆต่อหน้าต่อตาลองดูมีแล้วมีกายแล้วเอามาเป็นวัสดุประกอบสร้างความรู้สึกตัวตามรูปแบบไปก่อนบางทีนกรูปแบบก็ยังได้ความรู้สึกตัวไปเล่นไปทำแบบ เล่นๆกับความหลงบ้างก็ได้เล่นๆกับความโกรธบ้างก็ได้ถ้ามีความรู้สึกตัวเหมือนกับคนที่จับงูพิษเขาหยอกให้มันกัดเขาหยอกให้มันฉกเพราะเขาเคยเล่นกับมันพอหยอกให้มันฉกแล้วเขาก็ไวเขาฝึกตรงนั้นรอพอมันฉกมันหลุดลงมันที่สุดแต่เมอมันฉกเขาก็จับคอมันได้ หอยหลอกมันหลอกล่อให้มันพอมันโชคมากก็มันก็เหนื่อยมันกันพวกงูเนี่ยไปเห็นเขาเล่นกับงูให้ปล่อยให้เขมันโชคอยู่โชคอยู่สักสามสี่ห้าครั้งมันก็บดแรงกันเช่นคนเราที่โกรธเนี่ยเ้าโกรธของเรามันก็บดแรงกันนะจะได้บรรลุธรรมที่มันหลงเราก็ได้ด้วยฉะนั้นเล่นกับมันก็ได้เล่นกับความหลงก็ได้ถ้ามีความรู้สึกตัวนะอย่าไปถนอมอย่าไป เพราะว่าพระองคอย่าไปกลัวอย่าไประวังจนเกินไปความรู้สึกตัวไม่ใช่ระวังมันมีพร้อมแล้วถ้ามีความรู้สึกตัวมันมีอยู่แล้วไม่ต้องไประวังไม่ต้องอยากอยาให้อะไรไปแทรกซ่อนอยากรู้จึงสร้างอยากบรรลุธรรมจึงมาสร้างอยากได้กลัวว่ามันจะไม่ได้กลัวว่ามันจะผิดอยากให้มันถูกไม่ต้องเลย เอาการกระทำอย่าไปเอาความคิดจิตใจมายุ่งก็จะพูดแล้วนะให้มีการกระทำเอาการกระทำบุกเบิกไปก่อนมือเราก็มีกายเราก็ไม่ยกขึ้นมาเคลื่อนไหวขึ้นมาให้มันรู้สึกตัวมันง่ายๆเรื่องเดียวเอาเรื่องเดียวแต่ไปเป็นพวงไปเป็นพวงพวงจับอันที่มันถูกแล้วอัดอื่นก็ไปได้หมดเลยไม่ต้องไปจับหลายสิ่งหลายอย่าง เรียกว่ากำมือเดียวปฏิบัติธรรมเอาเท่านี้ไปก่อนอย่ากลัวว่าจะไปรั่วอะไรถ้ามีสติที่มันประสบการณ์ใต้บทเรียนจนแน่นอยู่ในกายสตินแน่นอยู่ในจิตใจแล้วอะไรมันจะไปปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจก็จะรั่วไปเลยก็จะหลุดไปเลยเพรความรู้สึกตัวมันต่าง ก, กันกับอย่างอื่นมันเป็นสมบัติของกายของกิตความหลงไม่เป็นสมบัติของกายของกิต ความถูกต้องความชอบที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจแล้วอันอื่นมันก็จะเกิดความชอบขึ้นไปทัทนทีคือกรรมอย่างนีน้กรรมคือการกระทานะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องกรรมสุดยอดของการศึกษาคือกรรมวิชากรรมฐานมันต่างกับวิชาอื่นที่เราเรียนมาถ้าเป็นศาสตร์ก็ศาสตร์ของชีวิตมันเกิดขึ้นที่กายที่ใจเราหมายถึงความ โลภความโกรธความหลงความทุกข์อะไรต่างๆไม่ใช่ความรู้ความรู้หาเรียนเอาแต่ว่าทาเป็นเนี่ยต้องทำให้เป็นการทำให้เป็นเนี่ยต้องเรียนจากตัวเองเวลาใดมันหลงอ๋อทำความโลภได้แล้วเป็นแล้วทำความหลงให้เป็นความรล้ได้แล้วเป็นแล้วเป็นแล้วเวลาใดที่มันโกรธทำความโกรธให้หมายโกรธโอ้ทาเป็นแล้วทาเป็นแล้วทาให้เป็น การสอนให้เป็นเนี่ยต้องสอนตัวเราต้องเรียนจากตัวเราการที่จะหาความรู้เรียนจากคนอื่นคนอื่นสอนให้จําออกมาเอาไปประกอบเอาเป็นวัตถุสิ่งของพิสูจน์แต่ถ้าเป็นความรู้เป็นปัญญาแบบทางโลกที่มีการศึกษาแต่ว่าการศึกษาศึกษาคือศีลสมาธิปัญญาทาเป็นศีลก็กบจัดความทุกข หรือว่าศินกําจัดกิเลสอย่างหยากสมาธิกําจัดกิเลสอย่างกลางปัญญากําจัดกิเลสอย่างละเอียดชนะมันเป็นไปเองศินเนี่ยศต่ินมันก็ปกติน่นนะเพราะเรารู้สึกตัวของก็ปกติแล้วขณะที่เราสร้างสติอยู่เนี่มันก็เป็นการรักษาศินแล้วไม่มีใครไปดา่าไม่มใครไป ท, าทําบาปทํากรรมฆ่าสัตว์ตัดชีวิต แม้มันคิดขึ้นมามันก็รู้สึกตัวยังไม่แสดงออกทางกายกรรมวิีิกรรมมันก็เป็นการสํารวมอาญตนะเป็นศีลแล้วศีลเบื้องต้นแล้วขณะที่ใส่ใจเคลื่อนไหวรู้สึกตัวอยู่นี่ใส่ใจที่จะรู้อยู่นี้มันก็เป็นสมาธิแล้วสมาธิคือมันเรื่องเดียวชัดเจนแม่นยําอยู่สมาธิมันมั่นอยู่ตรงนี้อยู่แล้วตั้งไว้ตรงนี้อยู่แล้วนั่นนะ เวลาใดที speed, possible, iles, sheet, rules, at, Clinic, ่มันหลงเกิดขึ้นมาเอ้ามีปัญญาเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนเป็นแล้วไม่ให้ความหลงหอเผิวความหลงที่เกิดขึ้นกับกายกับจิตความหลงเกิดขึ้นกับกายเปลี่ยนความหลงที่เกิดขึ้นกับกายให้เกิดความรู้นั่นเรียกว่าปัญญาความหลงที่เกิดขึ้นกับจิตเปลี่ยนความหลงที่เกิดขึ้นกับจิตให้เป็นความรู้นี่ปัญญาพุทธะเปลี่ยนร้ายเป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกหรือเรียกว่าภาวนา ก็ได้เป็นเวชาที่ยอดเดี่ยมมากเป็นเวชาที่เพาะที่สุดคําว่าภาวนาเปลี่ยนได้เป็นดีเปลี่ยนผิเนเดเ ป, เป็นถูกขยันทําความดีขยันทําความถูกภาวนาคือขยันขยันรู้นี่แล้วเนี่ยไม่ต้องไปภาวนาไม่ใช่บริกรรมพุทโธพุทโธยุบหนอพองหนออันนั้นมันไม่ใช่ภาวนามันเป็นบริกรรมมันเรื่องเดียวบริกรรมบริกรรมมันไม่มิด อันนั่นเป็นเรื่องหนึง่งทางนไม่ใช่ภาวนาภาวนาคือข ย, ยันลูกสร้างความลูกขึ้นมาเอามาผิดความลูกขึ้นมาเนี่ยนี่ทําเรื่องนี่ลองดูเจ็ดวันเจ็ดวันมันจะเกิดอะไรขึ้นธรรมชาติของชีวิตเราถ้าได้เจ็ดวันมันเปลี่ยนได้นะคนเลิกสูบบุหรี่เจ็ดวันก็เปลี่ยนได้คนเลิกกินเหล้าสักเ็ดวันก็เปลี่ยนได้อ่าอาจจะเป็นเช่นนี้โคตรตีนมันอยู่ใน เลืดในไรถ้าได้เจ็ดวันมันก็มีโอกาสจางกายหายไปพิษของบุหรี่พิษของเหลาก็จางกายหายไปเฮยมีกิเลสตัณหาถ้าเกิวันมีความรู้สึกตัวมันก็สงบลงได้โปูกต้นข้าวต้นกล้าถ้าได้เจ็ดวันแล้วก็ติดแล้วไปดูต่างเขาแล้วมันเป็นธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติที่ไม่ชีวิตเราอันนี้เรามาสร้างดูสิพระพุทธเจ้าจึง กำหนดเลยเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีผู้ที่เจริญสติต่อเนื่องหนึ่งวันถึงเกวันอาจจะเกิดคุณภาพเกิดชีวิตจิตใจเปลี่ยนไปอาจจะเป็นพระขึ้นมาได้อันนี้สองสองประการเจ็ดวันอย่างไวอันนี้สองสองประการคือเป็นพระอาณาคามีบุคคลหรือเป็นพระหลานได้จเจริญสติต่อเนื่องหนึ่งวันถึงเวัน อย่างกลางหนึ่งเดือนทั้งเกตเดือนอย่างชาที่สุดหนึ่งปีทั้งเกตปีนี่พระพุทธเจ้าท่าทายไว้มากเรื่องนี้นะแล้วพวกเราที่เป็นชาวพุทธนี่พิสูจน์กันเลยอย่างถ้าพิสูจน์เรื่องอื่นพิคิดมาได้มากแล้วขอให้เป็นการบ้านอันหนึ่งพิสูจน์เรื่องนี้ลองดูเอาให้สุดฝีมือเนี่ยนะเอาให้สุดฝีมือหลวงพ่อพระสงฆ์สุขโตจะเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นกันลยานณะมิตร จะไม่พาหลงทิศหลงทางโดยเพราะการเจริญสติมักจะไม่หลงใิมิตทีต่หลอกต่างๆก็ไม่เกิดถ้าเกิดก็น้อยนะถ้าเกิดก็น้อยเกิดก็แจ้ได้ช่วยตัวเองได้ผู้เจริญสติเป็นการเดินด้วยโดยบนลำแช่งของตัวเองได้ไม่ต้องไปรักษาไม่ต้องไปจับไปจูงไม่ต้องไปบอกกันไม่ต้องบริกรรมอายางหนอขอยางหนอก็ไม่ว่า เอาไปเลยช่วยไปเลยคำพูดไม่ต้องพูดสักคำเข้าถึงความรู้สึกตัวเลยบริกรรมก็ไม่ต้องหมยเข้าถึงความรู้สึกตัวไปเลยสัมผัสเข้าไปเลยถ้าบริกรรมเหมือนกับอะไรมาลองอยู่เช่นเราเอาถุงมาใส่มือไปจับอันนั้ไม่ลองไม่สัมผัสความรู้สึกตัวที่มาสัมผัสกับกายนะความรู้สึกตัวที่มาสัมผัสกับกจิตใจระหว่างกายระหว่างใจมีความรู้สึกตัวเข้าไปเกียวข้อง ให้กายให้ใจความรู้สึกตัวอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเจ็ดวันมันจะเกิดอะไรขึ้นดันั้นเราจึงมาทํากรรมมันนี่มาทํากรรมมันนี่ให้กรรมมันลิขิดไปกรรมมันจะลิขิดไปกรรมจะจําแนกไปเองถ้าไม่มีกรรมเรามันลิขิดไม่ได้ตายใจของเรามันต้องมีกรรมอย่างเราสูบบุหรี่มันก็ติดบุหรี่พอสูบมันยังติด พอติดมันจึงอยากพออยากมันจึงสูบมันก็เป็นไปทางนั้นมันเป็นกรรมมันนั่นเหมือนกันเรียกว่าวัตตะพราอสูบจึงติดพอติดจึงอยากพออยากจึงสูบเราจะไปตัดตรงไหนตัดกรรมตรงไหนอะไรมันเป็นกรรมอะไรมันเป็นกิเลสอันใดมันเป็นวิบากกิเลสกรรมวิบากมันเป็นวัตตะวงกลมเราจะไปห้ามมาให้มันอยากมันเป็นไปไม่ได้เราจะไม่ห้ามมาให้มัน สูบมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะมันอยากเพราะมันอ <methyl S 1> ยากมันจึงสูบเพราะมันสูบมันจึงติดเพราะมันติดมันจึงอยากมันเป็นกรรมมีบากมันหมุนไปอย่างนั้นเราจะจะตัดจะตัดตรงไหนตัดไม่สูบเพราะไม่สูบจึงไม่ติดเพราะไม่ติดจึงไม่อยากเพราะไม่อยากจึงไม่สูบเอ้ามันเกิดมาแบบนี้มันกรรมมันลิขิตไปแบบนั้นเพราะฉะนั้นไม่สูบความไม่สูบถือว่าการกระทํา ทำลงไปไม่ใช่ไปห้ามความอยากเพราะไม่สูบต่างหากมันจึงไม่อยากก็ต้องสู้สักหน่อยอย่าไปห้ามความหลงเพราะทำไมมันจงหลงเพราะไม่รู้สึกตัวไม่ใช่ไปห้ามความหลงความรู้สึกตัวเองต่างหากแม้จะมีความหลงมาครุกคามสร้างความรู้สึกตัวเลยไปมันอาจจะดีกว่าการไปเลิกสบุ่รี ที่จะไปเลิกกิเลสตัณหาความโลภโกรธหลงเพราะรู้สึกตัวจั่างนีความหลงจะเกิดได้ยังไงความหลงเท่านั้นที่มันพาให้เราผิดพาให้เราเป็นปัญหาต่างๆเราก็มีความรู้สึกตัวพอดีกันพอดีความรู้สึกตัวคู่กับกับความหลงพอดีพอดีเริ่มต้นจากตรงนี้เอาไปเอามามีแต่ตัวรู้ตัวลงชีวิตเรา โอ้มันง่ายมันนี่เลอือาจจะว่าได้นะอ้มันขนาดนี่เลืเนี่ยพอตัวขนาดนี้แล้วเนะี่ยไปกันเป็นพวงไปเลยถ้ามีความรู้สึกตัวศิ้นก็เกิดสมาธิก็เกิดปัญญาก็เกิดศิ้นก็มาช่วยสมาธิก็ช่วยปัญญาก็ช่วยเกิดเป็นมักเป็นผลมักคือการกระทำผลคือมันรู้ขณะพิมมือตั้งไว้บนเขา่าเป็นมักแล้วพิกมือขึ้นรู้สึกตัวเป็นผลแล้ว เป็นมรรคเป็นผลทันทีปัจจิตตังทันทีในความหลงมันก็มีมรรคมีผลตรงนั้นในสังขารมันก็มีวิสังขารวิสังขารเกิดขึ้นในสังขารสังขารคือการปรุงวิสังขารคือการไม่ปรุงวิสังขาร น, นี่เป็นนิพพานนะการเจริญเสดีมันเข้ากระแสนิพพานไปเลยนิพพานไปเลยมันเป็นวิสังขารไปเลยมันทําลายความหลงไปในตัวเสร็จ สังขาราปรมาทุกข์สังขารเป็นทุกข์นิพพานังปรมาสุขขังนิพพานไม่ทุกข์สังขารคือการปรุงวิสังขารกันไม่ปรุง อ, อยู่พร้อมกันเกิดที่เดียวกันเกิดที่เดียวกันแก่ที่เดียวกันแก่ที่เดียวกันสมนามสมเมือจึงกิ่งการเจริญสติเนี่ยไม่ต้องไปเภาว่าผู้อง์ไม่ต้องไปหาเหตุหาผลมันเสียเวลานะ นี่แหละคือการปฏิบัติเข้มใส่ใจที่จะรู้เสื่ตัวอยู่เสมอมาทำวัดสวดมนต์ก็ได้ไปกราบไปฉันก็ได้อยู่กับหมูก็ได้อยู่คนเดียวก็ได้ปฏิบัติเดี่ยวอยู่คนเดียวก็ได้ปฏิบัติกับหมูก็ได้เพราะที่จริงแล้วเราอยู่คนเดียวเราอยู่กับหมูก็เหมือนกับอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็เหมือนกับอยู่กับหมู่ถ้ามันจะหลงอยู่กับหมู่เราก็ไม่หลงเนี่ยเวลาเราไปเป็นเทวด เพื่อนชวนให้หลงเราก็ไม่หลงยิ่งดีจะได้ฝึกหัดตรงที่มันง่ายที่จะหลงจะได้รู้ตัวบางทีเพื่อนชวนคุยพูดเล่นเพื่อนเราหลงโอ้เราไม่หลงเราไม่หลงเพื่อนเราพาหัวเลาะพาเล่นโอ้เราไม่หลงเราไม่หลงเราไม่เล่นมันจะเก่งตรงนั้นด้วยซ้าไปถ้ามีเสถีจริงๆช่วยตัวเองเป็นช่วยตัวเองเป็นทุกกรดีเลยจะเป็นทางไหนก็ได้ เพื่อนเพราะเสียงเวดล่องอะไรต่างๆอาจจะเป็นเวทีของการเจริญสติไปหลายหลายแบบนอกรูปแบบก็ได้มันหลงอยู่ที่กายมันหลงอยู่ที่ใจเอา้ามันหลงอยู่ที่เพื่อนที่มิตรเอา้าเราก็รู้สึกตัวได้เดไม่ใช่ถนอมลุยลุยความรู้สึกตัวเป็นลักษณะการลุยลุยไม่ถนอมย่องเอาไม่ใช่แบบนั้นนะเหมือนเราเดินจงกรมไม่ใช่ย่อง ลอยๆเจ้าหน่อยให้มันรู้สึกตัวได้พลังงานได้สติด้วยก้าวให้เต็มก้าวพอดีคนหนุ่มคนแจ่ตามพลังของตนเองแตาคนแจ่ไปย่องมันไม่สมสัดสมส่วนมันไม่คลอกต้องเดินตบเท่าเจ้าหน่อยคนแจ่ให้มันพอดีมันจึงเหยียบแม่นแต่ไปย่องมันเหยียบไม่แม่นมันเซๆกำลังความรู้สึกตัวมันพอดีกับ ไหวของเราจะไปทําแบบเดียวกันก็ไม่ได้ความรู้ขึ้นยกมือสร้างจังหวะบางทีก็มีแรงถ่วงพอดีพอดีอย่าชาเกินไปอย่าระวังเกินไปมันพอดีมันมีความพอดีบางคนมีคําถามว่าชาหรือไหวดีหลวงพอ่อมันมีความพอดีนั่งนานเท่าไหร่สร้างเจ้าวะเท่าไหร่เดินเท่าไหร่ไม่ต้องมีคําถามแบบนั้นเอาความพอดีที่จะมันมีความรู้สึกตัวเช่นรูปแบบของการ น, นั่งสร้างเจ้าวะบางทีทนานเกินไป มันก็พลาดเครื่องหลงเครื่องลูกแล้วก็เปลี่ยนฉากของเราเองไม่ใช่ตีละคงบอกคุณหลงแล้วนะไม่ใช่คุณพราดแล้วนะเครื่องลูกเครื่องหลงแล้วนะไม่ใช่คุณจะต้องลู้เองแต่มันพลาดเครื่องหลงเครื่องลูกคุณก็วางหลงตั้งหน้าใหม่วางใบหน้าใหม่ยืดตัวใหม่ตั้งจัวะไหมเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ให้มันชัดเจนชีวิตที่ดีต้องเริ่มต้นใหม่อยู่เรื่อยเริ่มต้นใหม่เลยรู้จักเริ่มต้นใหม่ ปรับชีวิตของเราให้มันเหมาะสมอยู่โดยชอบแม้เรานั่งอยู่ไม่ใช่ชอบนะท่านหลงสปปงกว่วงเงหฮอนอนคนอื่นเขาไม่ง่วงเราง่วงทําไมก็มันก็ง่วงจะไปบังคับเวลาสามชั่วโมงมานั่งอยู่นี่ลุกไปไหนไม่ได้อาจจะไม่ถูกเสมอไปเรามันง่วงมากๆจะทําไงไปนั่งเสียเวลาอยู่ตรงนั้นลุกขึ้นนี่สติช่วยตัวเองลุกขึ้นไปเดินอันนี้มันต้องตัวใครตัวมัน อย่าปล่อยให้ความ่วงคอบงำมนาทีสองนาทีไม่เอาต้องตื่นตื่นในขณะที่มันง่วงรู้ณะขณะที่มัน่วงมันจะมีประสบการณ์นะบางคนก็พอง่วงเกิดขึ้นกับพลอยตามอ่อนไปเลยหมดแรงไปเลยอย่าไปทำแบบนั้นตื่นขึ้นมาทันทีในขณะที่มันม่วงตื่นขึ้นมาทันทีในขณะที่มันหลง รู้สึกตัวคนวันทีมันจะพัดไปอยู่ตรงไหนก็นมาหาความรู้สึกตัวนี่แล้วก็ทำได้อย่างนี้จริงๆนะเรารู้สึกตัวทำได้จริงๆแม่มันดีนะแต่เวลาใดที่มันง่วงมันรู้สึกตัวนะ่โอ้ทันทีเลยหนะ้ามือเป็นหลังมือสีมือของเราเองการกระทาของเราเองอย่างนีไม่มีใครไปช่วยเราดอกการปฏิบัติทมให้ยืนอยู่บนลแข้งของตนเอง อาศัยตนเองเรยกว่ากรรมคือการกระทำของเราจริงๆไม่มีใครช่วยใครได้แต่ว่าแนะนำพัฒน์สอนเป็นเพื่อนกันได้เวลาใดมันผิดผู้สอนก็รู้อยู่เพราะว่าแต่พูดให้ฟังบางทีก็เห็นทียาก็บอกกันได้เขาหลงอย่างไรเขาลู้อย่างไงบอกได้นั้นจึงเป็นเพื่อนกันเป็นกันลยานมิตรปฏิบัิธรรมกันลยานมิตรเนี่ย พาดไปถึงมรรคถึงผลได้จยาเป็นเหงอนกันในหมู่ไม่มิตรในเพื่อนไม่ครูว่าอาจารย์ในทัพยะไม่อาหารพออยู่ได้ในที่อยู่พออยู่ได้ไม่บุคคลพอพึ่งพาอาศัยได้เป็นเทือกศึกษาหาเลื่อยมีธรรมมันเป็นแน่วแน่เป็นเป้าหมายที่เราสร้างขึ้นเช่นมีธรรมไม่ไรไม่ธรรมมีสตินี่แหละมีจริงๆสตินี่ มีธรรมเราสร้างขึ้นว่าสติมันเป็นธรรมเป็นธรรมที่เป็นกุศลเป็นธรรมที่เป็นแม่ของกุศลทั้งหลายถ้าไม่มีแม่ตรงนี้อะไรมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงแต่เป็นมรรคเป็นผลต้องเกิดขึ้นบนแม่เป็นมรรคกระเลียบมรรคคือการกระทําของเราเนี่แหละให้สบายใจเลยพวกเราอย่าไปลังเลสงสัยอย่าไปก่องแวะจึงใดเคยทําแบบไหนเคยเป็นมาอย่างไง ร, รู้อะไรมา ไม่เป็นไรลูกก็ได้แต่วาเวลานี้เรามาสร้างสติเรามาสร้างสติไม่ได้ไปเอาความลูกของท่านทิ้งไปสติมันก็เป็นของเราอยู่แล้วถ้าลูกศึกตัวมันก็ไม่หลงอยู่แล้วถ้าหลงถ้าลูกศึกตัวควมหลงก็หมดไปได้จริงๆแม้แต่ความโกรธก็หมดไปถ้าความรู้ศึกตัวมีแต่เวลาใดที่มันจะ หลงเราโูภสึกตัวเวลาใดมันโกรธเราโูภสึกตัวไปทางนี่ไปทางนี่เอียงไปทางนี่ง่ายที่จะไม่หลงง่ายที่จะไม่โกรธไปเลยเอาไปเอามาไม่ได้ไปสู้กับอะไรเลยหมดไปเลยกิเลสหลุดไปเลยความโลภความโกรธความหลงหมดไปเมื่อไหร่ไม่รู้เพราะมันได้ฐานยึดรูปยึดนามได้ความโกรธความโลภความหลงไม่ตั้งอยู่ตรงไหนมันก็ไม่มีที่ให้ตั้งเพราะมันเป็นกองรูปกองนามมันได้หลักได้ฐานยึดพื้นที่ ความโลภความโกรธความหลงไม่เกิดได้ที่บนกองรูปกองน้ำที่ให้เกิดไม่มี ม, มีแต่รูปน้ำมีแต่ธรรมชาติมีแต่อาการเป็นไปเองไม่ต้องไปอดไปทนไม่ต้องไปอดไปทนบางทีเราไปคิดไปข้างหน้าบางทีเราคิดขึ้นข้างหลังไม่ใช่ปฏิบัติธรรมมันเป็นปัจจุจจบันปัจจุบันนี่แหละคืออดีตปัจจุบันนี่แหละคืออนาคตสร้างให้มันดี ถ้าปัจจุบันมันดีมันจะลี้คิดไปเองอย่างนี้มาวันนี้ก็พูดให้ฟังเป็นคําพูดที่พิสูจได้คําพูดหลวงพอ่อสัมผัสได้ไม่ใช่คําพูดให้จําเอาคําพูดไปสัมผัสให้ลูกสึกตัวให้ลูกศึกตัวโอ้ลูกศึกตัวคําพูดออกมาสัมผัสกับกายคำพูดออกมาสัมผัสกับใจนี่คือสอนธรรมสอนกรรมฐานอ่าสมควรใจเวลา